จะเจริญสติประฐานสี่แบบที่อาตมาบอกเนี่ยพลิกมือขึ้นคว่อมมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังกำมือเยียดมือเอานิ้วมือดีดหรือสัมผัสมือกันอยู่อย่างนี้ให้มีความรู้สึกไปไหนมาไหนทําเล่นๆไปทําเพื่อความสนุกอย่างนี้ทํามือเดียวอย่าทำพร้อมกันสองมือสามือทํามือขวามือซ้ายไม่ต้องทําทํามือซ้ายมือขวาไม่ต้องทําเราไม่ทําแล้วบัดนี้เราทิศตาองคให้รู้สึก ลเลือดทรายแลขหัวให้รู้สึกไม่ต้องทํามือก็ได้อันนี้ลุ้อเราจะทํามือก็ได้เมื่อทํามือได้ไม้แต่คำหนึ่งนะอันนี้อาตมารับรองได้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันอย่างที่ตําลาหรืออาตมาเล่านิทานปลามปลาไม้างเมื่อกี้นี้ว่าจะไม่หนีจากโยมเลยถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะไม่หนีเลยไม่หนีจากโลกนี้นะรับรองได้ว่าสามปีสามปีนะความทุกข์ไม่ต้องมีแล้วเราจะอยู่เหนือความทุกข์ได้จริงๆ อย่างนานนะสามปีอย่างกลางปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันเอาอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอาณิสงฆ์ไม่ต้องพูดเลยถ้าอรหันต์ก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดเลยเอาแต่ไม่มีทุกอย่างเดียวก็พออาตมาไม่มีทุกจริงๆรับรองว่าทุกไม่มีนะอาตมาจะเดินดินกินข้าวไปกับญาติกับโยมเนี่ยไม่ทุกเลยเอาไม่ต้องเป็นพระหลานไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องไปสวรรค์ไม่ต้องไปนิพพานที่ไหนละนี่นิพพานแปลว่าความเย็น สวรรก็หมายถึงว่าไม่เดือดร้อนกับคนเท่านั้นเองนี่แหละคําสอนของพระพรุทธเจ้าจริงๆในอันนี้ไม่ต้องไปวิ่งเต้นว่วยวนเอาใครทั้งหมดเลยผีช่วยเราไม่ได้เทวดาช่วยรอให้ได้ไม่ได้แม้พระพรุทธเจ้าเองอยู่ที่นี่แหละนั่งอยู่ที่นี่แหละมาทําแทนเราก็ไม่ได้ถ้าพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนเอาไ ว, ว้ว่าอะกขาตาโลตถาคตาอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่า พระตถาคตเป็นผู้แนะวิธีปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราทำเองท่านสอนอย่างนั้นแต่พระตถาคตคือพระพุทธเจ้าทำแทนพวกเธอไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้แต่เธออยากรู้ต้องทำเอาเองอันนี้อาตมาไปสอนบางคนไม่อยากทำแต่อยากฟังเฉยๆอยากฟังแต่บอกให้ทำเลยไม่อยากทำอันนี้อาตมาไปเทศที่จังหวัดบุรี ร, รัาอาตมาพูด คนเป็นหลายร้อยวันนั้นแต่ปีไหนจำไม่ได้คนเป็นหลายร้อยนะบอกว่าทำทหนโยมนะันเยฉยเลยเฉยเลยอาตมาก็เลยพูดขึ้นให้ว่าถ้าคนใดไม่ทำตกนรกนอ๋อเลยถ้าพูดอย่างนี้เลยถ้าคนใดไม่ทำกับอาตมาข่าวนี้ตกนรกใครอยากตกนรกไม่ต้องทำพูดอย่างนี้ใครไม่อยากไปตกนรกต้องทำเนี่ยอาตมาก็บอกว่าเนี่ย ถ้าทําเดียวนี้ต้องมีนิสัยนิสัยนิสัยเคยเคยรู้นั่นแหลวะว่าปารามีปาระแปล่พร้อมมีแล้วที่จะทําได้เนี่ยไม่ใช่ว่าสร้างสมอบรมปารมีต่อจากหลังตายแล้วอันนั้นมันเข้าใจผิดถ้าใครไม่ทำปารมีเดียวนี้เนียตกนรกบอกเลยนี่ทําตามไม่เอาเอานรกมาคูไม่ทําจริงๆนั่นเป็นอย่างนั้นต้องเอาสวรรค์เอานรกมาคูเอาเอาสวรรค์มายองมายุกเอายังทําได้ อันนี้ปแปลว่าคนด้านคนดือ้อคนมีมานะคนเป็นทิฏฐิอันนี้เราต้องฟังต้องทําตามที่ที่ได้นํามาเราให้ฟังวันนี้ก่อนเอาหลักธรรมาเข้าใจว่าสมควรแล้วนี่ยจะสอนกันวิธีเดินจมูกให้เพื่อเราเราต้องทำกันจริงไม่ใช่จะพูดให้อันนี้พูดแล้วมันก็นเพียงแต่ว่าอาคาตาโลตถาคตานั่นแหละอค า, า, าตาโลตถาคตาเนี่ย แปลว่ า, า, ธ า, ธาพระตถาคตเป็นเต้าผู้แนะแนววิธีปฏิบัติวิธียกมือให้มีสติเท่านั้นการทําพวกเธอทําเอาเอง ท, เท่านสอนยางไงผู้รู้เองเห็นเองเธอรู้เองอเธ อ, อเห็นเองเธอเข้าใจเองไม่ใช่อัตมาจะไปรู้แทนไม่ใช่อัตมาจะไปทําแทนทําแทนใครไม่ได้อัตมารู้อย่างนี้อัตมาจึงออกมาแนะแนวอย่างนี้เพราะว่าอย่างอื่นอัตมาก็ทํามาพุโทโธอรหงังพองยุคดูลมหายใจอัตมาทํามามากแต่ไม่มีปัญญาไม่รู้จริงๆ อาตมาทําอันนี้อาตมาดูมันอาตมาไปรับกรรมฐานเมื่อแปดครั้งเมื่อเก้าครั้งอาตมาทําทั้งวันทั้งคืนเมื่อสิบครั้งอาตมารู้อาตมาเป็นคนจริงนะไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะเนี่ค่ะพูดจริงทําจริงต้องรู้จริงพูดไม่จริงทําไม่จริงมันก็รู้ไม่จริงอันนี้คนจริงนะพูดจริงอาตมาจึงกล้าพวกคุณเนี่ยไม่เหมือนอาตมานะสมมุตินะอ่ะทําไม่จริงเอ้าให้เวลาสามปี อาตมาทำสองวันเนี่ยมันรู้เนี่ยพวกเธอทำสามปีจะไม่ท่ออาตมาทำสองวันสิรวมกับบ้าเท่านั้นเนี่เป็นอยังงมัเป็นยังไงเดินจมกรมดีกว่าเป็นว่าการนาอธิบายการเดินจมกรมเดินจมกรมเนี่ยเดินไปไม่ต้องว่าซ้ายย่างหนอขัวาย่างหนอไม่ต้องพูดยกส้นหนอยกหนอไปหนอลงหนอกดหนอถูกหนอไม่ต้องพูดอาตมาทำมาแล้วเรื่องนึงทำแล้วไม่เกิดปัญญาอันนี้เขาเรียกว่าวิธีของยุก อาตมาทำอย่างน้อยต้องเป็นเวลาแปดปีเรื่องนี้มันเหลือไปแล้วในตาราบอกว่าเจ็ดปีนี่อาตมาทำมาเป็นเวลาซาเกือบสักแปดปีพูนทามายกต้นหนอยกหนอไตหนอลงหนอผูกหนอกดหนอได้ชานเขาว่าอย่างมันจะได้ชานทำไมมันจํเอามาพูดเอาไม่ใช่ซาเนชานแปลว่ารู้อาตมาก็เลยตัดทิ้งไม่ต้องพูดเดินไปเสยๆเดินก้าวไป หนูทํางานอะไรดึงขูดเดินไปโรงเรียนบัดเนี้ยถ้าหากหนูมีรถจักรยานแล้วนั่งรถก็ตามถ้าเดินนั่นรถจักรยานก็ขาขยายไปอย่างนี่ยหยับบันไดมันให้มีโกลมรููสึกถ้าไม่มีรถจักรยานเดินก็เดินไปเฉยๆนี่แหละเดินไปเดินก้าวไปก้าวไปหยักสิบก้าวลู่ครั้งนึงก็ยังดีดีก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ถ้าเดินไปสิบก้าลูห้าครั้งก็ยินดีถ้าไม่รู้สักเที่ยวก็เต็มทีแล้วไปอย่างนึง ต้องรู้รู้เก้าหนึ่งสองเก้าก็ดีไปถึงโรงเรียนคงจะมีจักรร้อยเก้านะรู้จักรสิบเกก็ดีดีก็ไม่รู้เนี่ยทําอย่างนี้มันจกสาสมเอาไว้คมรู้อันนี้มันจะค่อยมากขึ้นมากขึ้นมันจะรู้เรื่อยๆไปวิธีที่พูดกันวันนี้ก็ต้องพูดกันอย่างนี้นคือรู้เรื่องรูปนามแล้วอย่าเอาสติมาใส่รูปนามให้เอาสติคอยดูมคมชิดบัดนี้หนูเดินไปโรงเรียนไปสอนนักเรียนเดินไปอย่าเอาสติมากําหนดเพลามากเกินไป ให้คอยดูคมคิดดูต้นไม้หรือดูคนเดินผ่านไปตามถนนอนทางก็ได้แล้วมันคิดแว่วขึ้นโอ๊ยคิดแล้วทิ้งไปเลยอย่าเข้าไปในคมคิดถ้าเข้าไปในคมคิดมันจะพาคิดโอ๊ยคนนั่นผู้หญิงผู้ชายคนดูดูหน้าดูตาคนดำคนขาวนุ่งเสื้อสีนั้นสิไม่ต้องเอาอันนั้นมันเป็นวิตุวิจารณ์เห็นว่าผู้หญิงคนสร้างผู้ชายคตามเฉยไปเลยโอยคนมาแลกกันไปเนี่ไม่ เราเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้แล้วไปเลยอย่าว่าโอ้ต้นไม้เป็นจริงนั่งกินนี่ไม่ต้องวิพาควิจารณ์ท่นอันนี้เป็นวิธีเนี่ยคือว่ามันคิด ก, กันแล้วไปคิด ก, กันแล้วไปแต่ว่าต้องวิพาควิจารณ์นะอันนี้สมมุติพูดนะถ้ามีเรื่องขึ้นมาจะแก้ปัญหาไม่ได้นะบันนี้อันนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าคนไปลักของบันเนี่ยมึ้งเสื้อสีนะั้นสีนี้กัน ร, รู้จักอีกแล้วบันเนี้ยอันนี้มันต้องเป็นปัญญานเนี่ยคือว่าต้องรู้คนผู้ชายผู้หญิง คนมีอายุกี่ปีประมาณนั้นเขาก็ให้รู้แต่อัตมาพูดนี้ไม่ได้พูดเรื่องอันนั้นคือพูดให้รู้ความคิดเมื่อกำลังมาคิดแวบขึ้นไปแล้วปัดทันทีอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คิดดีคิดตั่วไม่ต้องคิดวันนี้เราจะสร้างบ้านสร้างเนินต้องมีโครงการคิดอันนั้นหนูจะไปสอนนักเรียนต้องมีโครงการจะสอนเรื่องอะไรวันนี้ต้องสอนต้องคิดแต่ผมคิดสันิดนั้นมันคิดก็มาแป๊บเดียวมันไปเลยอันนั้นเป็นเรื่องความคิด ความคิดตัวนี้มันนําโทสะโมหะโลภะเข้ามาอันที่เราตั้งคิดขึ้นมานั้นมันไม่ต้องนำความนําโทสะโมหะอันนั้นมันตั้งคิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาความคิดจะมีสองอย่างด้วยค่ะความสง บ, บก็มีสองอย่างด้วยค่ะสง บ, บจากอันความคิดแวบอันนั้นแหละแล้วก็มาอยู่ด้วยสติปัญญาตัวนี้อันนี้สงบแบบการเห็นแจ้งอันสงบแบบบดหินความคิดแวบบอันนั้นคำว่าสงบใต้โมหะเพราะมันสง บ, บมืดมืดสงบไม่รู้อัน เดินไปก็ให้รู้นั่งกินข้าวก็ให้รู้นี่เป็นวิธีเดินจมกรมไม่ใช่ว่าเดินจมกรมเดินทั้งวันไม่รู้สึกตัวเลยอันนั้นก็เต็มทีเดินไปจนตายเป็นอย่างไงไม่ใช่เดยอย่างเดินก้าวไปก้าวมารู้เนี่ยว่าเดินจงกมเดินจงกมก็หมายถึงเปื้อนอิริยาบถนั่นเองให้เข้าใจว่าเดินจมกรมเนเพื่ออะไรเนี่ยเปื้อนอิริยาบถคือนั่งนานมันเจ็บแข้งเจ็บขาไม่ได้เดินไหนมันก็เหนื่อยหลังเหนื่อยเอวนั่งบ้างเนี่ย เขวเปดเดียบุตรเปรียดให้เท่าๆกันนั่งบ้างนอนบ้างยืนบ้างเดินบ้างอเดียบุตรทังสีให้เท่าๆกันแบ่งเท่ากันหรือไมแบ่งเท่ากันก็ได้เพราะว่าเราไม่มีนาฬิกาเนี่ยอน้อยมากอะไรก็พอดีพอหมดเดินเหนื่อยแล้วก็เป็นั่งก็ได้นั่งเหนื่อยแล้วลุกเดินก็ได้หรือนอนก็ได้แต่นอนจะเป็นนอนหลักนั่นอย่างค่านอนหลับไปทั้งวันทั้งคืนก็มึงกับหมูนอนหมูมันนอนอยู่ในพอ อยากไปทําที่ผู้พู ด, พดเนี่ยเข้าใจไหมวิธีพูดนเนี่ยเข้าใจไหมวิธีทาําจังหะนั้นสรุปว่าความคิดที่ยอยู่ใต้โมหเนี่ยเราต้องตัดไปตัดไปเลยแต่ความคิดที่เป็นไปด้จะสื่อปัญญาเพื่อการดพื่งานของเราเนี่ยเราต้องคิดๆๆอั น, นั้นถ้าไม่คิดก็ทําไม่ได้ของข้อบ้าอะไรก็เป็นของคิดเราจะทําอะไรจะปลูกบ้านหรือจะซื้อของเสื้อผ้าหรือจะเสื้ออะไรก็ตามมันต้องคิดมันจะคุ้มค่าเงินเราไหม เราซื้อไปได้จะไปทำอะไรมันต้องคิดนะไม่คิดมันเขาว่าคนบ้า น, น, นให้เข้าใจอย่างนั้นเราใช้สติปัญญา